นึกว่าไอศรัท ธ, ธาคือความเชื่อมั่นของเขานี่ดีมากดีมากขนาดที่ไม่ดูจากภาษากันอดทนพยายามผู้มีศรัท ธ, ธาหาศรัท ธ, ธาได้ยากหาศรัท ธ, ธาได้ลำบาก จะเอาจริงๆจังๆนี่ก็ยากลำบากแต่ว่านักบวชนักพสตนี่บ้านเราก็รู้สึกว่า ด, ดีนับถือข้อวัดปฏิบตัติแต่ว่าจะให้เอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจะเอากันโยมอยุบลเหมือนกันเนี่มาเห็นหน้าพระแล้วขอสินแล้วหิวหลายแต่เอาให้ทำไม่ค่อยเอาแล้วเอาไปเล่น เอาสินไปเล่นหบ่ถ้าเราอยู่กับมะคอเหมือนอดเหมือนอยากด้วยเกิ น, นแต่เอาไปเด็กเอาไปทิง้งแต่รอดมาเล่นในวันหลังนะสาขาทั้งหลายมาเยี่ยมมันจะมาหลายร้อยมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะโยมเอาอยัางไงกันเล่าเทศได้ฟังอยนีเกือบสามสิบปีแล้วเนี่ยหลายสาขามารวมกัน ถามว่าวันนี้กลางวันแสกแสกจะถามแล้ววันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติที่อัตมาอุตสา์มาสอนอย่นี่เกือบส0มสิบพันษาแล้วนี่ อ, อุบาสิกาเราทั้งหลายเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าหรือรู้ทำแล้ ว, ว่ะเคยมีสินห้าประจำไหมถาม ใครตั้งใจใจะเป็นอุบาสิการักษาศีลห้าตลอดชีวิตมีกี่คนไหมมองดูตากันดอกแหลกดอกแหลกดอกแหลกลอกแหล <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครกล้าเอาแต่ขอเอาศีลก็ลาไปทิ้งเท่านั้นเนี่ยขออยู่นี่เรื่อยนคนจนชอบขอนะนะคนจนชอบขอ ขอไปแล้ไม่รักษามันก็จนอยู่ยังเก่านั่นแหละเห็นหน้าภาคก็ขออี๋ขออีกไอ้คนขอนี่มีเรื่องขอเนี่ไม่ต้องรักษาเนี่ยไม่ต้องทําขึ้นอย่างคนเราจะจนก็เพราะคนขี้เกียจเนี่ยขอได้ด้วยอย่างเนี้มาถามมานั้นไม่มีใครเลยจะตั้งใจเอาศีลห้าประการเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเห็นอะไรมากมายอัตมามองเห็นแล้วก็อุย้ยท้อใจก็ได้บอกว่าปี วันนั้นได้บอกว่อนี hey. ่รวมกันทั้งหมดอาตมาได้เอ้ยนึกว่ามีคนมาอยู่นี้ยถามแล้วไม่ไม่ค่อยมีคนวิติขี้คนเต็มสระมิติขี้คนทั้งนั้นเนี่ยนีอดาซะหน่อยหนึ่งซะให้อายซะหน่อยนึงงั้นก็ไม่เคอยอายหรอกอืออือยังขออยู่ดยเรื่อยๆเลยอ่ะอือ hey. มันเป็นของลำบากประเพณีของเราทำอย่างนั้นนะชอบจะเป็นอย่างนั้นออขออะไรก็ยิ่งจนขอไม่ทำขอไม่รักษาเห็นใครมาขอทั้งนั้นนะยิ่งขอก็ยิ่งจนทั้งนั้นไม่มีขอไม่มีในกายในจิตของเจ้าของเนี่ยก็ตอ้องขอเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างนั้น ได้เราอยู่กันมาเรื่อยๆปฏิบัติมันขาดการปฏิบัติการเรียนนี่ก็เรียนได้การรู้ก็รู้ได้แต่ว่ามันขาดการปฏิบัติมันขาดหลายแสดงถ้ามันพูดแล้วมันน่าอายแบเนาะเราเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแท้ๆนะลูกศิษย์ทางเมืองนอกเข้ามาเดินวิ่งออกหน้าเราไปซะแล้ว ใหมดูดิเขามาฝึกกับเรานี่ตั้งอากาศนี่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างทนอยู่อาหารการควบฉันนี้เอาที่เปลี่ยนมากที่สุดแล้วทนอยู่เปลี่ยนทุกอย่างถึงแมภาษาคำพูดต่างๆเปลี่ยนหมดทุกระบบเลยมันเปลี่ยนเด็กเขาก็พยายามทำกัน มันได้มาคิดถึงคำโบราณเราว่าสมัยก่อนเรามันไม่อดไม่อยากมันไม่อดไม่อยากไม่อดแล้วมันก็เลยไม่อยากลืมตาขึ้นเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรเห็นแต่ตานอกๆตาในไม่เคยจะเห็นกันก็ได้อิม่มเหมือนของมันมีอยู่ในบ้านนาะถ้าไม่ทานมันก็อิม่มเพราะว่าเรามันมีอยู่แล้ว อันนี้ก็พระเจ้าประสงค์มีอยู่แล้วในเมืองไทยล้วก็อิม่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไรก็ไม่รู้อิ่มลมหรืออิ่มอะไรก็ไม่รู้<อ>นี่มันเป็นสิ่งเคยดลอยดีใจอยู่งั้นไ อ, อ, อ้วันนั้นเคยไปพระนครก็เป็นกุนเท พ, พ เ, เ, เห็นโยมคนหนึง่งเป็นขันาศารเมื่ออยู่ในบ้านเราไม่ค่อยสนใจกับพระเจ้าประสงค์เมื่อไปอยู่เมืองนอก หิวหิวไม่ก็เห็นพระเห็นเจ้าอยากจะเห็นพระเห็นเจ้าก็เลยไปเยี่ยมพระดุกสิตอัตมาเนี่ยอยู่ในกรุง ด, นดอนเนะี่ยเป็นพระฝรัง่งก็เลยเรื่อมใสเนี่ย hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเราเราเห็นพุทธศาสนารู้เรื่องพุทธศาสนาในคราวนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีนะเพราะการที่ไม่สนใจนั่นอ้าวแรกัน ย้อนไปทำหลวงพ่อทุวันครับนึกแล้วนึกแล้วนึกว่า ก, การคงย้อนไปวัดอีกอัตมาเขาดิ้บทำเนี่ยกลัวมันจะชาไปใครตามก้นไหมลูกได้มานั่งพูดกับญาติโยมอีกครับผม ก็ไม่มีใครมานี่ยอืมอืมอืมศาสนาเลยส่องฮะพระเจย์เทพแล้วใช่ไหมก็มพูดไปเรื่อยๆอ๋อผมรออยู่นึกว่ารถจะไปรับทุณนี้รถไม่ไปผมก็เลยเอารถรีบไป รับทนายจารย์ก็ระหว่างเขาสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มรถไปรับมาแล้วเลี๋ยวก็พอดีมีรถอีกเรนบอกว่าทนายจาันออกมาแล้วเรามีรถคันหนึ่งอีกรถทีวั ด, ดน่ะเขาไปพักกรงนั่ น, น, นอ่ะก็ เ, เลยกลัวว่าทางนี้จะจะท้าจะช้าทางกฤจัดพระมารถหนึ่ง จัดพระสันตกิตูมาแล้วก็พระมาลัยองค์เพื่อมาเพื่อมาสวดมนต์ยินก่อนอันตรมาเพราะว่าไปเถอะได้ได้พูดกระพุการเนีว่ามันไม่แน่นอนเวลาไม่แน่นอนบางทีก็สองทุ่มกว่าบางทีก็สามทุ่มเพราะว่าอะไรมันยังไม่เสร็จแต่พอิจัดเนี่ยมันมันได้เสร็จไปก่อนเธอแล้ก็ได้จัดพระพระสันมาสวดมนต์ยินก่อนพอดีพอเขายามตาบอดของท่านคุณอาจารย์ไม่อยู่ ผมเลยต้องเดินเข้าไปข้างในเห็นเท่ายหร่เข้ามาแล้วนี่พระขาวเน่ยตอนขาออกมาเขาเข้ามาแล้วครับสมมติอารัธนาได้เลยอเนี่ยหมดเท่านี้เด็ดหมดเออ สาธุ <c oughs> มยังพันเตวิสุงวิสุงรักษณะทายะติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตุ ya, ติยัมปิมยํงพันเตวิสุงวิสุงลักนะทายะติสารเนนัสหะปัญจะศีลานิยาจามะตติยัมปิมยํงพันเตวิสุงวิสุงลักนณะทายะ นะโมตัสสะภะคะวัโต arahato sama s a u t t h a s a นะโมตัสสะภะคะวโต arahato sama s ส m ม u a s s นะโมตัสสะภะคะวโต arahato sama p u t t h a s s a พุทธังธัมมังสังฆังนามิ อิตูปรังสั ก, กจังธ่านมูโซตโัโภตีเปเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้มี ท่านผู้การเป็นประธานได้นำญาติโยมทั้งหลายมาสะฐานที่นี้เพื่ อ, อบำเพ็ญการกุศลดันงนั้นวันนี้ ทั้งวัดน้องประพงศ์และวัดป่นานาชาตินี้มีความสัมพันธ์กันเช่นวัดน้องประพงศ์วันนี้ก็พร้อมที่จะทำการมหาปรณาทั้งวันนั้นเนี่ยรวมกะถินในวันนั้นและวันนี้ก็ทอดกะถินพอทอดกะถินแล้ว ก็อัตมาก็จะรออยู่พอสมควรเพราะท่านผู้การเคยไดนนิมนต์มาในสมัยก่อนนั่นก็จำไว้ถึงแม้ว่ามีธุระย่างไรก็พยายามมาพอที่จะมาร่วมในสถานที่นี้และทางศิญาณุสิทธิ์ทางหลายก็นำมาหลายองค์ทางพระไทยทางพระปพระังโปนไปกันมา น, นี่ยมารวมที่นี้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 แครก็มาไม่ได้ขาดเหมือนกั น, นจนกว่าที่ว่าออกจากที่นั่งนั้นแล้วก็มาที่นี่นั่งนั้นกำลังคนแก่นะมันก็ถอยไปถอยไปแมกเสียงพูดมันก็ถอยไปลมมันก็น้อยน้อยไปอย่างนั้นในฉะนั้นวันนี้ก็มีกำลังใจ เพราะท่านผู้การตั้งใจมาสถานที่นี้ก็ต้องตั้งใจมาปฏิสันฐานพอสมควรอย่างนั้นก็ปพากันตั้งอกตั้งใจจะเทศให้ฟังแต่น้อยไม่เอามากแต่ว่าคงมีดุษิ์หลายองค์โยมเมืองโคราชมีกำลังนั่งไหม่ะ จะให้พระเทศให้ฟังวันนี้ในอัตมาก็เป็นประธานส่วนหนึ่งจะขึ้นมาพูดกับญาติโยมพอสอมควรเท่านั้นเส <c oughs> ร็จจิตธุรวัดประพงแล้วประมาณนี้คือการทอดกันถินปีนี้ทอดกัญชินสบายมาก เพราะว่าพาญาติโยมทำบุญกันไม่ได้ทำบาปทำบาปนะั้นมันยากกว่านี้มันยุ่งกว่านี้ปีนี้ทำบุญแทๆ้ๆอาหารที่ถวายพระอุบาสิกาทั้งหลายก็ทำอาหารเจ ก, กันก็เลยสบายไปแต่คนก็ไม่มากคืนนี้โดยร่วมจะถึงจะประมาณจะ สี่รอยเห็นจะได้แต่ก็มีแต่คนมีแต่คนมาฟังธรรมไม่ใช่คนมาเล่นมีคนมาฟังธรรมเงียบสงัดพระไม่มีอะไรไม่มีดนตรีไม่มีอิปีนคร ไ, ไม่มีอะไรทั้งสิน้นน่ะเบื้องแรกก็นิมนต์พระน บ, บกะซึ่งมาบวชอาตมาในพรรษานี้จำนวนประมาณเกือบยี่สิบคน ก็พอดีขอนิมนต์ท่านขึ้น แ, แ, แ, แสดงความรู้สึกว่าในมาบวชณวัดหนองประพง์ต่างคนก่าต่างมาน่นทุกองค์นั้นให้แสดงความรู้สึกก็กินเวลาไปประมาณสักสองชั่วโมงนอกจากนั้นก็ร่วนแต่มาฟังธรรมกันทั้งนั้นน่ะ รู้สึกว่าในพรรษานี้ในปีนี้การกระทาบุญนั้นเป็นบุญอัศจริงจริงสบา ย, ยก็ถึง <laughs> วันนั้นก็เป็นบรนพระเป็นบรนพระธรรมดาผู้รักษาโบสถ์ศีล น, นั้นก็ไม่ต้องการเขาเยินกันอยู่แล้วก็เลยเรียบร้อยไม่มีอะไรจะสศกระปกุกเปลือนดี เรียบร้อยทุกประการนี่ฉะนั้นถ้าหาว่าการกระทำบุญนั้นพระพุทธองค์ขอชอบให้ทาง่ายๆไม่ต้องทายากมันง่ายอยู่แล้วทำง่ายๆทำถูกๆทาสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อคืนนี้อาตมาก็านำญาติโ ย, ยมตังหลายร้อยมาทำกันก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา นี่การกระทําบุญทแท้เดี๋ยวก็ภูมิใจบุญคือความภูมิใจที่เราได้กระทาแล้วว่าเหตุการณ์ที่เรากระทาแล้วนั้นปราศจากความชั่ว้การลามกทั้งหลายไม่เปลื่นแม่ก่อนจะทํำมันก็ภูมิใจเมื่อกําลังเราทาอยู่ก็ภูมิใจเมื่อเราทําเสร็จไปแล้วก็ภูมิใจการภูมิใจนี่แหละ ท่านเรียกว่าเป็นบุญที่เราพบปะอยู่เสมอเรื่องภูมิใจนี่การกระทำบุญนั่นเนี่ยนั่นเรียกาบุญคือความภูมิใจบุญในเวลานี้การภูมิใจมีหลายอย่างนะบางทีไปภูมิใจในสิ่งที่ไม่ไม่ เ, าเืารงก็มีเพราะมันหลงไป ความดีใจในสิ่งที่ว่าเราไม่รู้นั่นน่ะก็ดีใจยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยญาติโยมเมืองโคราชมาหรือตลอดท่านผู้การนี่แหละเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะกระเป๋าสตางค์เอาใส่ถุง ม, มาแล้วมันดุดจ้ะผู้การก็ไม่รู้เลยก็ภูมิใจมาอยู่ก็นึกว่าสตางค์เรายังอยู่ในนั้น ไอ้ความเป็นจริงมันน่าจะเสียใจแล้วน่ยแต่เมื่อกระเป๋าสตางค์มันดุดออกไปนั้น น, นี่ก็ภูมิใจเพราะความไม่รู้จักนะเมื่อมาถึงวัฒนาชาติเนี่มาครัาดูกระเป๋าอ้าวไม่ได้เรื่องซะแล้วตกใจว่าบเลยนี่อะไรเนี่มันน่าจะตกใจแต่เมื่อไอ้กระเป๋าสตางค์มันดุดออกจากถุงแล้วอันนั้นก็ยังภูมิใจเพราะเราไม่รู้ บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เรามีความภูมิใจก็มี อ, มอืมีความภูมิใจภูมิใจเพราะเราไม่รู้จักอบเพราะเราไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าสตางเรายัางอยู่เราก็ภูมิใจอยู่แต่เมื่อมารู้ตามความจริงมาถึงที่นี่เราสตับกระเป๋าสตางหายไปใจก็ไม่สบายอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจที่หลงไป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 เอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระธศาสนาแล้วอันนี้ประการหนึ่งเป็นการที่สองนั่นเมื่อทาจิตของเราให้เป็นบุญเมื่อเป็นกุศลแล้วอันนั้นเอตังุทธศาสนังอันนั้นก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งแล้วสัจจิตะประโยชน์ปันนัง การมาทำจิตใจของเราให้ผ่องใสนั้นก็เป็นเอตังพุทธศาสนงอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งสามประการนี้ไม่มากสามตัวอักษรเท่านั้นเนี่เราจะจับกันมา ใ, ใส่ใจของเราให้มีอยู่ในใจของเราทั้งสามประการนี้ใจของเราจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่งอยู่มันก็เป็นพุทธศาสนา เดินไปก็เป็นพุทธศาสนาะนอนก็เป็นพุทธศาสนาะอยู่เสมอแล้วาสามอย่างเท่านี้ฉะนั้นพระพุทธองค์เราต้องการอย่างนี้จึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสตรนะส์คือพุทธศาสนานี่เป็นศาสตร์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือหมายหมายความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ ต้องปราศจากความสปกปรกงุ่มง่ายสะอาดเมื่อทําแล้วก็สบายใจทํำแล้วก็สบายใ จ, สยใจเสร็จไปแล้วก็สบายใจอยู่อันนี้ฝังอยู่ในใจของเราอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อไรเราละบาปแล้วนั่นเราเข้าถึงหลักพุทธศาสนามเมื่อละบาปแล้วใจเรามันก็สบายไม่มีอะไรวุ่นวาย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 ทั้งสามประการนี้มารวมอยู่ที่จิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงพุทธศาสนาไม่เดือดร้ อ, อนกวนกว歪นั่นก็เรือบเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยบุญแปลว่าความภูมิใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการกระทำบุญได้บุญมาก็ภูมิใจด้วยความฉลาด การทีาจากวัลทินทั้งหลายนั้นแต่นั่นบุญก็เป็นประเภทอันหนึ่งกุศล น, นี้ก็เป็นประเภทอันหนึ่งเหมือนกันอยางนั้นการกระทัมบุญนี้ให้ประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาดความฉลาดนั้นเป็นเหตุให้สะอาดไม่สุกกระปุกเป็นต้นเดียกว่าบุญเดียกว่ากุศลโดยเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นการกระทัมบุญ นั่นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาท่านมุญปราทจากความฉลาดทุกสิ่งสารพัดก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นบุญนี้นไม่มากแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการละบาปนั่นเนี่มากกว่านะการละบาปนั่นแหละมากกว่า การล่าบาปนั่นคือทำสถานที่ให้มันสะอาดคล้ายๆที่เราเรียกว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั่นที่ปลูกบ้านนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เ, เป็นฐานที่เน่นหนาทาวรบ้านนั้นจึงจะยืนยงคงตัวอยู่ไรนานอันนี้นั่นเป็นฐานอันหนึ่งเหมือนกัน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 เพราะเราเอาเครื่องสกปรกออกแล้วเอาบาปออกแล้วเอาความผิดออกซะแล้วนั่นอยู่เท่านั้นแหละบุญมันจะเกิดที่นั่นเมื่อเราบาเพ็ญบุญเฉยๆไม่เอาบาปออกไปซะนะมันเกิดวุ่นวายนี่นี่สับสนอนาเวียงได้อย่างหลายประการนะอาตมาเคยเห็นโดยมากที่มาทอดผ้าป่ากันมาสแสวงบุญกัน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 ไม่ขาซัต์ไม่รักทรัพย์ไม่ดุพืชพิษในกรรมไม่โกหกเดี๋ยวไหลไม่กินสุราเอาเตีเครื่องสกรปรกทั้งนั้นออกอมันจะไม่สะอาดมันจะอยู่ได้เดี๋ยมันก็จิตใจมันก็สะอาดเท่านั้นเน่ยวันพระรุปท่านว่าอันนี้เรียกว่าศีลใชัยก็ไปตรงนั้นทำมห้สะอาดเป็นพื้นซัก เ, เป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลเนี่ยสมาธิมันก็คือ คือความสงบระงับอารมณ์ทั้งหลายเนะี่ยเพราะประทาที่จากเครื่องวุ่นวายเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันก็ตามมาเมื่อปัญญามันตามมาแล้วก็รู้เท่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาในหลักของพุทธศาสนาตนั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาท้งสามประการนี้เป็นหลักเป็นหัวใจสิ่งที่สำคัญในหลักพุทธศาสนา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 รู้เหตุเกิดของทุกข์รู้จากความรดับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความรดับทุกข์ตอนนี้ออกทางนี้ในพุทธชนเราทาั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็ดีในสมัยนี้ก็ดีต้องออกทางนี้ออกทางนี้รู้จักทุกข์ทุกนี้นะญ า, าติโยมทั้งหลายคงจะเคยพบแล้วมั้งทุกข์เนี่ยเคยพบวันนี้อัตมาก็เห็น ไอ้ญาติโยมพูดสิสาคัญมาเยี่ยมนะพอพูดไปพูดมันทุกข์ในใจก็เลยนั่งอยู่ต่อหน้าน้าตามันหยดน้ครับผั บ, บอัตามาก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ําตามันไหลออกมา ม, มันไหลออกมาจากกองทุกข์มันบีบนะบีบเข้ามาอัตามาเคยฟังทำแบบนี้นหะไอ้น้ําทาน้ําอันนี้ไม่หมดเดี๋ยวมันไม่หมดทุกข์หรอก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 เงนมันก็มีราดก็มียศมันก็มีแต่ว่ามันทุกข์นี่ไม่รู้มันเป็นทุกข์หรือมันต้องอาศัยอะไรมันอาศัยทีงที่ว่าไอ้ความไม่พอใจนั่นเองนะนี่สิ่งอื่นมากๆมันก็มีแต่ว่ามันไม่พอใจมันขาดสิ่งที่พอใจของคนนั่นมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็มาเรียนถามมาแต่า่าอิฉันมันเป็นทุกข จะให้อิฉันระงับยังไงได้ทุกยอมรู้ไหมว่าทุกเนี่ยมันเป็นยังไงไหมมันเกิดมาจากอะไรยอมรู้ไหมดูที่ตามือเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้กะโยมนลยนี่นก่อนมันจะทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดมาจากอะไรไหมให้ดูในจิตเดียวนี่นะ่ะจะเห็นนะยอมจะเห็นของยอมเองไม่ต้องไปนคว้าอย่างอื่นอาตมาก็เยกกระโถนขึ้นอยู่กันเนี่ยอย่างโดยสบายมันไม่หนัก พอยกกระโถนใบนี้ขึ้นมันเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวางกระโถนใบนี้มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหาเรายกกระโถนขึ้นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนไปนี่ขึ้นมามันก็หนักนนี่พู้จะเห็นง่ายๆเมื่อมันหนักมันจะหายหนักโดวยวิธีอะไรเล่าต้องวางกระโถนไปนี้ลงดูดีเบาแล้วใช่ไหมนี่มันเบาพพเพราะอะไรเพราะระวางกระโถนไปนี่นเนื้ย อัตมา ก, ก็จับกระโถนยกคนทีหนึ่งกล่าวให้ฟังอยู่ให้ฟังอย่างนี้มันทุกตรงนี้ไม่เจอทุกที่อื่นอย่าไปคั้นที่ไหนมันทุกตรงนี้แหละให้พิจารณาซะคนเทศในฟังสักพักหนึ่งน้าตาก็เลยหายหยุดนะเลยหันมาพูดกับอัตมาโดยที่เสียงไม่สัน่นนะถ้าวันหลังนะ่ะถ้าหากว่าคุณนายนะไม่สบายมาหาพราะค้นหาเหตุมันเองมันได้จ้ะนี่ เท่านี้แต่คนมันมีทุกการกระทำบุญทุกวันนี้การฟังธรรมทุกวันนี้โกแก่ทุกคือแก้ปัญหาในชีวิตที่เราเกิดมานี่นะมันมีทุกแต่ว่ามันทุกเกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัวกลัวมันพระพุทธองค์อาจารสอนมาทุกเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวมให้รู้มันนี่คือทุกอืมเข้าไปหาทุกคนเราชอบทุกข ทุกขนมาเรียกหลวทุกข์ในครั้งพุทธการก็เหมือนกันนคนทุกข์เรียจึงเข้ามาหาพระอเมื่อมันร้อนเรียจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแดดที่ไนก็ได้ไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคนดังนั้นทุกนี้จึงเป็นสัจธรรมทุกนี้เราเคยผ่านกันมาทุกคนทุกคนทุกเนี่ยมันเคยผ่านมาทุกทุกคนเคยผ่านมา แต่ไม่รู้จักระงับมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะก็เลยคิดไปคิดไปคิดไปในร้องไห้มันทุกข์ไม่รู้จกทางออกอย่างนี้อาตมาาวต้องคลำดูต้องคลำดูมันต้องมีห้นทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราตรสรนว่าธรรมะนี่แก้ทุกข์ให้คนแก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์แท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่า เมื่อมันทุกเกิดขึ้นมาเราไม่ตามดูวราทุกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จกแก้มันอย่างนี้นท่านนั้นทำที่จัดประทุกนี่เป็นสัจธรรมทุกขสัจสมุทัยสัจมัคคสัจนิโรธสัจพระพุทธองค์ก็ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ใครๆก็ออกทางนี้นี่อันนี้เป็นอริยสัจ ดังนั้นเมื่อทุกเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยกคายว่าอันนี้สักป่าจะทุกข์ความเป็นจริงนี่ยทุกมันล้นเหลือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์ทั้งนั้นอยู่ทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกเมื่อทุกขมันดับไปเราไปเรียกตรงมันดับนั้นว่าสุขเห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกมันดับไปเฉย เมื่อดับแล fit, drive, human, example, ้วก็เก like ิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกเกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปตะคุบทุกข์ก็ตะคุบสุขก็ตะคุบนึกว่ามันคนในอย่างกันพระท่านสอนว่ามีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พิจารณาเถดูแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกเกิดแต่ก็ทุกเราถ้ามันเกิดมาเราไปสําคัญมาตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปเราไปสำคัญตรงนั้นเป็นสุข นี่ไอ้ความไปเกี่ยงของเก่ามันทุกข์มันเกิดได้ก็ดับไปแล้วก็ตะคุบอยู่งี้ตะคุบอยู่งี้ตะคุบนะตะคุบแต่ทุกข์อะไรแต่ว่ามันไหวตัวบางทีมันคล้ายๆมันสุขบางทีคล้ายๆมันทุกข์อยู่อย่างนี้เราก็ปรารถนาเอาสุขเมื่อปรารถนาเอาสุขแล้วเมื่อสุขให้ไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกหลักของพุทธศาสนานั่นจัน ห, หมายถึงความสงบจิสงบ จ, จากความสุขนั้นความทุกข์นั้นนั่นคือความสงบ เราต้องการความสุขนั่นแหละความสุขน่นคือทุกอนันละเอียดที่เรายังไม่รู้จักอสุกกรีทุกกรีสองอย่างนี้นะเราก็เห็นว่าสุขนั่นแหละฉันชอบฉันต้องการความสุขฉันก็ต้องพยายามหาความสุขเั่านนะ่ะก็นึกว่าสุขนั่นมันไม่มีโทษไม่ใช่สุกนั่นตัวเอกมันนะนะตัวมันเป็นทุกแล้วนั่นนะสุกกรีทุกกรีนะอื มือนกันกรูตัวเดียวกันทุกคล้ายๆก็หัวงูสุกคล้ายๆก็หางงูถ้าเราไปเห็นงูตัวนี้มันยาวหางมันอยู่ทางนี้ปากกัน้นูเราคิดว่าเออทางทางปากมันจะเป็นภัยเว้ยไอทางหางมันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่มีปากกู่ตรงนี้นอย่าไปใกล้ปากมันเนอมันจะกัดเอ้ามันจะชกเอ้ามาจับหางมันดีกว่าน่ย เพ่อมาปากมันมาอยู่ทางนี้เรามาจับหางก็หางงูเห็นไหมไอ้ตัวหองูมันก็วกมากัดมันก็มันก็ทุกข์อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะหัวงูก็อยู่กับหมูหางงูอยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นดูเราไม่รู้อย่างนั้นเราไม่รู้เลยวะสุขมันก็เป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นเองนะเราสร้างทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละตรงนั้น ดัง น, น, นั้นพระอาจารยนสอนว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากทุกข์มันเกิดแลว้วก็ทุกข์มันดับเท่านี้ไม่มีอะไรเท่านี้เนี่ยเลือกที่วะเราแสดงหาความสุขนั้นก็เราคิดว่าสุข่มันดีมันดีมากเกินไปนก็ยิ่งทุกข์เข้าไปเพราะเราไม่รู้จักบาทุกข์เมื่อ ห, หันเหมาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเออสุขนี้ก็ไม่ใช่ความสงบบ่ สุขทุกข์นี่ดูแล้วมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอันเดียวกันแต่เวลาหนึ่งหมายถึงมันเป็นสุขเวลาหนึ่งมันเป็นทุกข์นะฉะนั้นคนต้องการความสุขสุขมันหายไปแ้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นอืมมันอันเดียวกันอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธองค์คานตันซึ่งสอนว่าให้พวกเราจงได้ถึงความสงบสงบนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว ก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ปล่อยมันซะให้รู้เท่ามันซะ <c oughs> นี่สุขเกิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกันทางนั้นเนีย่ยยาไปหมายมัน่นมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเราจะสร้างกรรมอนนี้ขึ้นมาให้ ม, กมากๆสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจนกว่าที่มันโตมันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกว่าที่มันพ้นจากสุขหรือทุกข์อันนี้เรียกว่าความสงบนี่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 ด้วยปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะดวงใจของเรเองนี่ฉะนั้นท่านจึงให้เป็นปัจจัยต่างรู้เฉพาะตัวเราอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่โดยมากจะมาฟังพระเทศหรือฟังอัตมาเทศบางคนก็คงจะเชื่อหมดแต่อัตมาขอห้ามอย่าไปเชื่อหมดอย่าไม่เชื่ออย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อเอาวางวา ง, วางไว้ให้ปัญญามันเกิดก่อนในสมัยหนึ่งองค์ปิศารีบุตร นั่งฟังธรรมพระบรมศาสรายอยู่นั่นอธิบายไปดีดีถึงพักหนึ่งพอสมควรพระพุทธองค์ตรัสมาสาธิตุษท่านเชื่อเราหรือนี่พระสาธิตุตจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอ้าวสาธิตุษดีแล้วนักปราชญ์จะเพิ่งเชื่องง่ายเลยไขยควรก่อนถึงเชื่อเห็นไหมนี่แสดงมาก ให้เห็นเป็นประจัตตังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถ้าหากบาคนในสมัยนี้ทว่าฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธนะมั่งนี้เนาะคงจะโกรธแม่สอนเนาะเชื่อแม่ไหมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธไหมนี่นะพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อพ่อคงจะโกรธไหมนี่อันนี้พระพุทธองค์ศาสนจัดอย่างนิ่มนวลเลยเชื่อแล้วหรือรสายสายดีบุตร ภาษาดีบุตรว่าข้าโตมยังไม่เชื่อท่านเห็นว่าดีแล้วภาษาดีบุตรนักปรารถนไม่ควรเชื่อง่ายต่ตองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านต้องการว่าให้เราดูใจของเราเองอย่างนั้นจึงประกันสอนใจให้ระวังใจสิ่งทั้งหมดในตัวตนของเราเนี่ย ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวารของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่าใจนี่เป็นสิ่งสําคัญระวังนะท่านจงระวั ง, งใจของท่านท่านจงระวังใจของท่านท่านจะดีจะช่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจงระวังใจใจนี่มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายเสียแล้ว ถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทังไรมันงับไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญจะพูดก็มีใจถึงก่อนจะทําก็มีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนถึงนั้นน่ะมิฉะนั้นดวงใจของเรานี่พระพุทธองค์จึงตัดว่าเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของ จ, จิตใจเป็นเรื่องของ จ, จิตใจเป็นาศาสนาเรื่อง จ, จิตใจ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 มองมูตายพ่องูจับงูมกัดทวนทวนไม่รู้เลย<ม>นี่เรื่องเดือนจิตอจบจิตศาสตร์มันจบแต่การภาคเรียนแต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกข์บ่อยๆมันน่าจะจบจิตศาสตร์แ้วมันน่าจะรู้จักจิตของเจ้าของทีอันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษเราบ่อยๆบ่อยๆจนกว่าที่จะศึกไป น, นั่นเองเนี่ยนี่ นี่มันจบแบบนึงยบจิตศาสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างนั้นตัวหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งตำรามันเป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นพระบรมครูท่านจึงสอนว่าการเรียนธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งเนี่ยทิ้ง อันมันยิ่งเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแนวก็เลยใจมันเป็นธรรมธรรมทางไหนมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเท่านี้คือดวงใจนั้นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจริงอ่ะเป็นไปในแนวที่เรียกว่าจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาตมาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้ เป็นศาสตร์ที่สูงส่งเป็นศาสตร์ที่ทำศาสตร์อื่นๆเป็นต้นให้สมบูรณ์ขึ้นโดยระดับทั้งมีความูทั้งมีความดีทั้งมีปัญญาเกิดขึ้นศาสตร์อื่นนั่นโดยมากมีความบูแต่ความดีไม่ค่อยจะมีมันเป็นไายอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกญาติโยมทั้งหลายมาทาบุญกุศลบันนี้จงรู้สึกเถอะว่าจิตเป็นเหตุระวังจิตของเรา ให้รู้ไหมว่าวัดนี้โยมจะดีใจเนี่ยมันดีใครพาดีใจรู้ไหมหูหรือตาไหมน ไ, ไม่ใช่จิตได้ดูทีวันนี้มันจะโกรธมันจะดุเพราะอะไรไหมตามันดุหรือหูมันดุไหมดูไปทีใจมันจะไม่ค่อยดีเนะื่อเพราะอะไรตรงนั้นเพราะจิตถึงนั้นน่ะสมประพุทองค์ของธรรมะให้สอนจิตเมื่อเราสงสอนจิตของเราจิตของเราเป็นไปแล้วไอ้ความสุขความทรงมันจะตามเข้ามาสู่เรา ตาหูจมูกลื่นกายเป็นบริวารเท่านั้นเนี่จิตนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมิฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ขอให้จงสังวรสังรวมระวังจิตจิตนี้มันเป็นโทษอย่างไพศาลจิตนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายถ้าเราทําถูกต้องมันเกิดประโยชน์มากเกินนะจิตนี้ก็คงจะมีทุกคนนะมั้งนี่เนาะแต่อันนี้ไม่มีตัวมีตนนะแต่คนรู้จักไหมว่าจิตนี้คืออะไรไหม ญาติโยมคงจะเอามาทุกคนเมืจิตมันนี้แต่จะถามาจิตมันอยู่ตรงไห น, นคงจะพูดยากเหมือนกันนะพูดยากขออะไรก็ได้ใครเป็นคนที่รับรู้อัตอมาเทศให้ฟังเองเนี่ยใครเป็นคนรับรู้คนที่รับรู้คือใครแตวมันอยู่ตรงไหน น, นี่ให้รู้เข้าไปจะรู้ถึงว่าอันนั้นคือจิตของเราที่รับรู้อันนั้นจะพาเราวิ่งไปวิ่งมาพาเราดีเราชั่ว พาเราดีใจเสียใจก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นอยา่าโจรใงจงรักษาอันนี้ให้มันเห็นชัดกันไปจริงเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอะไรทุกอย่างมันจะเบาไปหมดทุกอย่างเลยที่เราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นสอนกันแต่เพียงว่าให้มีศีลธรรมเท่านั้นก็ลาบากอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิดช้ากันนะ เท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นกันนีจะให้เราละละวางนั้นก็มันก็ลําบากเหมือนกันนั่นเริ่มต้นก็เป็นศีลธรรมให้เรามีศีลธรรมกันอย่างเทปอันเนี้ยนายกอยากได้ได้เกินแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นซะก็เลยกลับมากลัวมันจะเป็นโทษเท่านี้ก็พอแล้วไม่กล้าจะเอาเลยไม่กล้าจะขโมยเลยเพราะมันมีของเท่านี้ก็ถงไปเลยศีลธรรมนี่ ไม่ตรงละมันอเอาเทียไม่ใช่ได้สบายเลยอย่างนี้ตัวอย่างมีอันอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นให้เห็นขนาดนี้ก็พอรู้แล้วก็ตรงละต้องพยายามอดทนการปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติธรรมะการอดทนคือมันอยากจะทำกลมชั่วยอยู่นั้นแต่เราพยายามสอนใจเราไม่ทำนี่คือการปรฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่าจิตใจมันเป็นชนาญ จนมารู้จักผิดจากถูกรู้จากบาปจากบุญรู้จากคุณจากโทษอาตมาเคยสอนญาติโยมทั้งหลายว่า ง, ง่ายๆแต่ว่ามันยากแตหน่อยหนึ่งสอนไงสอนยังไงไหมไปที่ไหนได้เคยยินว่าฉันไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเรียนลาบากไม่รู้จักการเล่าเรียนอันแต่ไม่ต้องยอมเลิกสักนโะลกก็ได้เดอกก็ได้ บอกเตี้เมื่อเราจะภาวนาวะ่ะบริกรรมอย่างนี้ง่ายๆวะ่ะให้มันเห็นด้วยกันอยู่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วใดชั่วนะก่อนเราจะนอนนะนทําดีได้ดีทําชั่วใดชั่วเดี๋ยวกำหนดรวมหายใจไปใดดีดนะรู้จักบอกอีกว่าทำดีใดดีด ทำเชัวอได้เชื่อจนผู้รู้เรามารับเอาดีเอาชั่วเราไปอยู่ในภายในความรู้นั้นจนจิตของเราผ่องใสรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อมันรู้จักชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จักดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทาแล้วมันเลิกแต่มันสร้างความดีแล้วนั้นแหะจิตของเรารับแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วโดยมากญาติโยมเราทางไหนไม่เคยรู้จักดีจักชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทํา ทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้จักดชั่วนะไม่รู้จักดีจักชั่วให้ทำไม่รู้จักดีจักชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนะี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จักดีจักชั่วมันก็รู้จัก่าปจักบุญ น, นะมันก็เป็นคนสอนง่ายร่วมึ้นมาเท่านั้นเองนะี่ยนี่ง่ายสอนอย่างนั้นภาวนาได้ไปเมื่อ น, นั่งภวนาแล้กวก็ทาดีดีด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 ไอ้ความดีเนี่ถ้าเราไปยึดมัน่นถือมันไม่วางนะมันก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแ น, น่เกิดชั่วได้เหมือนกันอตายเพราะความดีนั่นเนี่ยคือไม่ดูจักใช่ของดีไม่ดูจักประมาณนั้นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างคนนี้ก็ติดดี น, นนะนได้ดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันสมที่สุดเนี่พระพุทธเจ้าก็เลยให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่ว สารู้มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ไม่มีตัวโทษเราปล่อยวางมันทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์าารสอนกันไปอย่างนั้นอะไรก็ชังมันเถอะวันนี้สารู้ไปความว่าใจใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพาอใจของเราเราจะหัวเราะกับพ่อใจของเราเราจะเสียใจกับพาอใจของเรา เราจะดีใจกับพ่อใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันโกรธมานะ่ดูไปในจิตใครโกรธหูมันโกรธด้วตามันโกรธไหมดูสิโยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมาจากไหนแท้ๆเออนะให้โยมจะดูนะเมื่อมันดีใจเกิดมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาดรือมันดีมาจากใจถ้าโยมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้โยมจะรู้จักเหตุมันเกิดมา ถ้ารู้จักเหตุที่มันเกิดมาก่ไประงรับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมานั้นนะไม่มันก็ระงรับนั้ น, น, นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถึงจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกนี่เป็นโล ก, กวิทูนะโลกนี่เป็นโล ก, กวิทูโลกนี่มีความสรรม่ำเสมอเพรมันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้น